นิทานเรื่องวิกฤตคือโอกาสทองณนะการละครหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาไว้ตัวหนึ่งซึ่งแก่มากแล้วด้วยความโง่เขลาของมันมันเดินซุ่มซ่ามไปตกบ่อแห่งหนึ่งมันร้องครวนครางอยู่เป็นเวลานานชาวนาเองก็พยายามใครครวญ หาวิธีที่จะช่วยมันขึ้นมาในที่สุดชาวนาหวนคิดขึ้นมาได้ว่าเจ้าลาก็แก่เกินไปแล้วอีกอย่างบ่อ น, นี้ก็ต้องกลบไม่คุ้มที่จะช่วยเจ้ า, าชาวนาจึงไปขอแรงชาวบ้านเพื่อ ม, มาช่วยกันกลบบ่อครั้งแรกนะคะเมื่อดินเนี่ยไปถูกหลังลามันตกใจ และรู้ชะตากรรมของตนทันทีมันร้องโหยหวนเลยค่ะใต้แน่ใต้แน่ใต้แน่แนสักพักหนึ่งค่ะทุกคนก็แปลกใจที่เจ้าลาเนี่ยเงียบไปหลังจากชาวบ้านตักดินใส่ในบอ่อได้สักสองสามพุ่วเมื่อเหลือบมองลงไปในบอ่อก็พบกับความประหลาดใจที่ลามันจะสะบัดดิน ออกจากหลังทุกครั้งที่มีผู้ศาสดินลงไปแล้วก้าวขึ้นไปเหยียบบนดินเหล่านั้นยิ่งทุกคนพยายามเร่งระดมศาสดินลงไปมากเท่าไรมันก็ก้าวขึ้นมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นในไม่ช้าทุกคนต่างประหลาดใจที่เจ้าลาสามารถหลุดพ้นจากปากบ่อ ดังกล่าวได้ค่ะนิทานเรื่องเนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตเนี้ยอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหาเราเปรียบเสมือนดินที่ศาส์เข้ามาหาเราจงอย่าท้อถอยและยอมแพ้จงแก้ไขมันเพื่อที่จะก้าวสูงขึ้นเรื่อยๆ เ, เปรียบเสมือนลาแก่ ที่หลุดพ้นจากบ่อได้ฉันใดฉันนั้นค่ะอุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้ามไปชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะเราต้องประสบกับโลกธรรม8เป็นธรรมดาคือได้ลาบได้ยศสันเซินสุขก็ต้องมีเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์เมื่อเรามีทุกข์มีปัญหา หรือต้องประสบกับวิกฤตหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ให้อาศัยคันติและมีความอดทน